ทรงประชุมทรงฆ์วัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีใช้หญิงเครือหัดให้บีบบ้างให้นวดบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย